สมภารวัดสัทธาพิรมก็มรณะภาพก่อนที่ท่านจะอุปสมบทเพียงเดือนเดียวไม่เช่นั้นโยมยายก็คงให้ท่านบวชที่วัดสัทธาพิรมหรือถ้าหลวงพ่อช้างยังมีชีวิตอยู่ท่านอาจจะเลือกบวชที่วัดตึกราชาจะได้เรียนสมถะกรรมฐานกับหลวงพ่อช้างหากได้ฌานท่านก็จะเหาะไปดูมั ก, กรีผลที่ป่าหิ ม, มาพานโนน ท่านไม่เคยลืมเรื่องมะกะลีผลที่โยมยายเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งหากเป็นคนอื่นเล่าท่านคงไม่เชื่อแต่โยมยายถือศีลกินเพนมาตั้งแต่รุ่นสาวเรื่องที่จะพูดโกโหกพกลมนั้นเป็นไปไม่ได้แน่และที่สำคัญกว่านั้นก็คือหลักฐานมีอยู่ที่โยมยายครบทั้งตําราหุงประลอดและปลอดที่หุงเสร็จแล้ว ช่วงเวลาของการคิดคำหนึง่งภาพของภิกษุรูปหนึ่งก็ผุดขึ้นในความคิดหลวงพ่อภูนแห่งวัดสังขราชาตอนเป็นเด็กท่านชอบไปคุยกับหลวงพ่อภูนเพราะนอกจากจะได้กินขนมอร่อยแล้วยังได้ฟังนิทานสนุกสนุกที่หลวงพ่อภูนเล่าพระนมจึงตกลงใจว่าวันพรุ่งนี้หลังจากฉันพรทหารเพลแล้วท่านจะไปกราบ และขอเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อพูนที่วัดสังขราชาพระครูสิงหราชมนุนีกำลังจะฉันคิลานาเพสัตรครั้นเห็นภิกษุหนุ่มเดินขึ้นมาบนกุฏิก็ถือถ้วยยาค้างไว้พระเจริญคุกเข่าลงตรงหน้าภิกษุวัยเจสิบสองกราบเบญจางคปดิษสามครั้งแล้วจึงเอ่ยวาจา หลวงพ่อจงผมได้ไหมครับเด็กชายเจริญหลานชายยายจางที่ชอบมาคุยกับหลวงพ่อบ่อยๆเมื่อสิบกว่าปีก่อนพระครูสิงหาราชชมนีใช้เวลาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็จาได้อ๋อเธอนั่นเองนี่บวชตั้งแต่เมื่อไรและโยมจางสบายดียหรืออายุคงจวนเก้าสิบแล้วกระมัง 87เจ็แล้วครับหลวงพอ่อส่วนผมก็บวชเมื่อก่อนเข้าพรรษากะว่าจะศึกตั้งแต่เมื่อวานแต่โยมยายให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันเพื่อจะเริญนกรรมฐานผมจึงจะมาขอเรียนกรรมฐานจากหลวงพอ่อพระหนุ่มบอกความประสงค์แล้วใครเป็นอุปชาของเธอหละ่ะทำไมถึงไม่เรียนกับท่านฉันไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาใคร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 อันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับการศึกหรือไม่ศึกหรอกนะคนที่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ครบตรสิคาน่ะสิทำไมเธอถึงไม่มาบวชเสียที่วัดนี้ล่ะโยมยายบอกว่าไกลบ้านครับเวลาไปบิณฑบาต ท, ทำให้ลำบากและเสียเวลามากผมจึงบวชที่วัดพรหมบุรีโดยเจ้าคุณพรหมท่านมาเป็นอุปชาให้ นั่นหลวงพ่อฉันอะไรครับท่านมองน้ำสีน้ำตาลเข้มในถ้วยที่พระครูสิงหาราชมนีถือค้างอยู่ยาต้มฉันอาพาธมานานต้องฉันยาทุกวันเป็นยาอะไรเหรอครับแล้วหลวงพ่อไปหาหมอหรือเปล่าถามอย่างอาทรเพิ่งจะสังเกตว่าภิกษุวัยเจดสูซูบซีดและเหนื่อยล้า หมอเขาว่าเป็นฝีในท้องรักษาไม่หายและไม่มียารักษาด้วยฉันเลยหาย า, ยามาต้มกินเองก็พอทุเลาลงบ้างมันปวดเด้อเกินเธอเอ้ยเวลาถ่ายก็มีมูกเลือดออกมาด้วยทรมานอย่าบอกใกลเชียวหากเป็นโยมยายพูดเช่นนี้ท่านคงจะย้อนถามว่าแล้วยายมาบอกผมทำไมเพราะความเคยชิน แต่กับพระภิกษุที่กำลังอาพาธอยู่นั้นท่านไม่อาจพูดเช่นนั้นได้นิมมลหลวงพ่อฉันยาก่อนเถอะครับหลวงพ่อพูนยกถ้วยยาขึ้นดื่มแล้วบ้วนน้ำลายลงกระถนพรางบนยาไทยนี่มันขมเลอกเกินแต่ก็ยังดีกว่าทนปวดขนาดเนี้ยมันทุกข์จริงๆฉันคงจะละมันไปเสียที นี่ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปอีกสองวันพระเธอมาช่วยงานศพฉันด้วยนะพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อพูดจริงหรือพูดเล่นครับพระหนุมใจหายว่าบพูดจริงนะสิเรื่องพูดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์ฉันน่าไม่ทำหรอกบาป ก, กรรมเปล่าๆถ้าฉะนนั้นผมคงหมดโอกาสที่จะได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเพราะ หลวงพ่อจะลาสังขารเสร็แล้วท่านรู้สึกผิดหวังยังไม่หมดหรอกอีกตั้งสองวันพรักว่าฉันจะไปเธอจะเรียนวันนี้เลยก็ยังได้เอาไหมละ่ะผมเกรงใจครับไม่อยากให้หลวงพ่อต้องมาลำบากเพราะผมจะลำบากลําบนอะไรการดีสิเอกฉันจะได้ทําประโยชน์ให้กับโลกเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะไม่ได้แล้วหรือ เสด็จพ่อของพวกเรานั้นขนาดพระองค์กำลังประชวนจวนจะดับขันทะปรินิพานยังทรงพระกรุณาโปรดสุภาาัตทะปริพาชกให้บรรลุอรหัตผลเป็นปัจฉิมสาวกฉันต้องการประโยชน์นี่ใช่มานั่งรอนอนรอวันตายเสียงที่พูดแม้แหบแห้งหากแสดงความเด็ดเดี่ยวของผู้พูด ถ้าเช่นนั้นผมจะกลับไปเรียนขออนุญาตท่านสมภารมาอยู่กับหลวงพ่อสักเจ็ดวันนะครับจะได้ช่วยรักษาพยาบาลหลวงพ่อด้วยถึงสึกแล้วผมก็จะมาปนนิบัตหลวงพ่อเพื่อทดแทนพระคุณพระหนุ่มพูดด้วยสำนึกแห่งกระตะเวทิตาธรรมดีจะทำอะไรก็ทำเลยอย่าโมแต่ผลัดวันประกันพรุ่งพระครูสิงหาราชมุนีแนะนา พระเจริญจึงกราบลงสามครั้งและเดินทางกลับวัดเพื่อขออนุญาตสมภารวัดพรหมบุรีไปอยู่วัดสังฆราชาเป็นการชั่วคราวพระหนุ่มตรงไปยังกุฏิของท่านเก็บเครื่องอัฐบริการใส่ ย, ย่ามแล้วจึงพาไปหาหลวงพ่อช่อเจ้าอาวาสวัดพรหมบุรีท่านสมภารครับผมพระเจริญจะมาขออนุญาตอยู่ปรนนิบัติพระครู สิงหราษมุนีที่วัดสังคราชาสักเจ็ดวันวันที่แปดผมจะเข้าพิธีลาศิกขาที่วัดพรมบุรีครับทำไมต้องไปปรนนิบัติท่านหรือว่าท่านอาพาธฉันได้ข่าวมาว่าท่านอาพาธสมภา์ชอบถามเองตอบเองเสร็จ ท่านบอกกับผมว่าเป็นฝีในท้องและคงจะอยู่ได้ไม่เกินสองวันพระผมจึงอยากไปปริบัตท่านเธอคุน้นเคยกับท่านมาก่อนหรือหรือว่าเป็นลูกหลานท่านสมภารวัดพรหมบุรีถามไม่ได้เป็นลูกหลานหรอกครับเพียงแต่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตัวผมยังเด็กท่านให้กินขนมกินแล้วเล่านิทานให้ฟังด้วยครับ พระหนม่มไม่บอกเรื่องที่จะไปเรียนกรรมฐานถ้าเช่นนั้นก็ไปเถอะไว้ว่างๆฉันจะไปเยี่ยมท่านเหมือนกันหมู่นี่งานยุ่งเหลือเกินพระหนุ่มจึงกราบนมัสการสามครั้งและลุกออกมาตั้งใจว่าจะไปแวะตลาดเพื่อซื้อธูปแพรเทียนแพรเตรียมไปขึ้นกรรมฐานกรรมฐานที่พระครูสิงหราชมุนีสอนให้กับพระเจริญคือ อานาปานสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าในใจว่าพุทธหายใจเข้ากำหนดว่าในใจว่าโทหายใจออกรับกรรมฐานแล้วพระหนุ่มก็นั่งภาวนาพุทโธอย่างตั้งอกตั้งใจรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการปฏิบัติ หากก็เพียงชั่วครู่เพราะเมื่อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านรู้สึกเบื่อนายและเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรศึกออกไปเล่นดนตรีไทยก็ยังดีเสียกว่าท่านนึกถึงกระนาดที่หลวงทารามอบให้เป็นมรดกงาลอยกระทงถึงเดือนหน้านี้คงจะได้แสดงฝีมือคงจะได้แสดงฝีไม้ลายมืออีกครั้ง เมื่ออารมณ์ทางโลกเข้าครอบงำท่านจึงไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติธรรมสู้นอนฝันหวานรอวันสึกดีกว่าคิดได้ดังนั้นจึงลุกจากที่นั่งเดินไปยังที่นอนนั่นจะนอนแล้วหรือเสียงทักของหลวงพ่อพูนทำให้ท่านชะงักอยู่กับที่หลวงพ่อยังไม่ถลับอีกหรือครับท่านถามมันปวดจนหลับไม่ลง เลยนอนดูเธอปฏิบัติรู้สึกเธอไม่มีศรัทธาเลยนะตัวศรัทธานี่สำคัญมากเป็นตัวนำให้เกิดวิริยะเมื่อไม่มีศรัทธาวิริยะก็ไม่เกิดมานี่มานั่งไกลๆฉันจะได้ไม่ต้องใช้เสียงมากพระหนุ่มจึงเดินมานั่งพะเพียบข้างที่นอนของท่านภิกษุวัย72ลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ แม้จะปวดท้องอย่างแสนสาหาัสหากก็พยายามข่มทุกขเวทนาเพื่อประโยชน์ผู้อื่นการปฏิบัติก้าหน้าจะต้องให้อินรีห้าเสมอกันเธอรู้จักอินรีห้าไหมมีอะไรบ้างไม่ทราบครับอินรีแปลว่าความเป็นใหญ่ในการปฏิบัตินั้นองค์ธรรมที่สำคัญมากก็คืออินรีห้า ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาต้องให้เสมอกับปัญญาวิริยะต้องให้เสมอกับสมาธิโดยมีสติเป็นตัวควบคุมหลวงพ่อพูนพยายามอธิบายพระหนุ่มได้แต่นั่งทำตาปลิบๆเพราะไม่เข้าใจทั้งเกิดความรู้สึกต่อต้านคิดแต่ว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านจึงไม่มีกระใจอยากรู้ หลวงพ่อจะฉันยาไหมครับผมจะรินให้พระเจริญถามไปอีกทางหนึ่งหมายให้ภิกษุชราเบนความสนใจออกจากเรื่องที่กำลังพูดอย่าพาออกนอกเรื่องเรากำลังพูดเรื่องอินทรีย์ห้ากันอยู่พระโรูสิงหราชมุนีไม่ยอมหลงกลพระหนุ่มจำต้องฟังคิดว่าจบแล้วท่านคงอนุญาตให้จังวัดได้ หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพูดขึ้นว่าเอาละเธอปฏิบัติต่อไปได้ท่านั่งมันเมื่อยนักก็ให้เดินจงกรมเดินเป็นวงกลมเหรอครับพระหนุ่มถามด้วยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไม่ใช่เดินจงกรมหมายถึงเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้าย หลวงพ่อภูลชี้แจงพระหนุ่มจำใจต้องปฏิบัติต่อท่านเริ่มเดินจงกรมตั้งแต่ที่หลวงพ่อภูลแนะนำครั้นแล้วความคิดอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นมาท่านจะคิดการเดินจงกรมของท่านเอง ก้าวเท้าขวากําหนดในใจว่าพุธก้าวเท้าซ้ายกําหนดว่าโทและท่านก็เดินพุธโทพุทโทอย่างเพลิดเพลินพักใหญ่ๆก็รู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งภาวนาเหลือไปดูหลวงพ่อพูนเห็นนอนสงบนิ่งคงจะหลับแล้วลมพัดมาต้องชายมุ้งไหวน้อยๆอากาศเย็นสบายน้านอนออกอย่างนั้น แสงริบหรี่จากตะเกียงรั้วที่ท่านรีให้ต่ำสุดทำให้บรรยากาศหน้านอนมากขึ้นแล้วเหตุไฉนท่านจะมัวมานั่งหลังกดหลังแข็งอยู่เล่าพระหนุ่มตัดสินใจลุกขึ้นไปกลางมุุ้ของท่านเพื่อเตรียมตัวจำวัดกลางมุุ้เสร็จจึงดับตะเกียงยังไม่ทันเอ็นกายลงนอนเสียงหลวงพ่อพูนก็ดังขึ้น อย่าเห็นแกนอนมานั่งภาวนาไปมันจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในมุ้งนั่นแหละพร ะ, จะเจริญรู้สึกงดหงิดหาก็ต้องทำตามแล้วก็เลยพานกโกรธไปถึงโยมยายผู้เป็นต้นเหตุคิดให้ท่านทำกรรมมาฐานโยมยายนะโยมยายไม่น่าส่งพระหลานชายมาลำบากลำบนอย่างนี้เลยท่านต่อว่าในใจ เจ็ดวันผ่านพ้นด้วยอึดอัดและฟุ้งซ่านรำคาญใจพระเจริญรู้สึกเข็ดขยาดกับกรรมฐานหลวงพ่อผูนท่านรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิบัติครั้งนี้ศรัทธาที่ไม่เคยมียังคงไม่มีต่อไปพระครูสิงหราชมุนีเองก็รู้สึกลูกศิษย์ของท่านไม่ได้อะไรจากการปฏิบัติ แต่ก็ยังดีที่เขาปลนนิบัติวัตถากท่านเป็นอย่างดีนี่ก็บอกว่าไปทำพิธีลาสิขาและจะกลับมาดูแลท่านช่างเป็นคนมีน้ำใจละเกินคนเช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนะักสมควรที่จะได้ของดีจากท่านที่มีอยู่ดังนั้นเมื่อพระนุมากราบลาเพื่อกลับวัดพรหมบุรีท่านจึงบอกเขาว่า ขอบใจเธอมากที่มาช่วยดูแลฉันฉันมีของดีจะมอบให้เธอเพราะว่าวันพระหน้าฉันก็จะละโลกนี้ไปแล้วเธอจงเก็บรักษาไว้ให้ดีนี่เป็นของเก่าแก่จากสุขโขทัยเช้านะท่านยื่นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดสูงเก้านิ้วให้พระหนุ่มขอบพระคุณครับพระเจริญก้มลงกราบสามครั้ง เก็บไว้ให้ดีนะเป็นของเก่าแก่จากสุขโขทัยตกทอดกันมาหลายชั่วคนแล้วหลวงพ่อได้มาจากไหนครับพระเจริญถามหลวงพ่อเชยท่านมอบให้ฉันก่อนที่ท่านจะมรณะภาพเธอคงไม่รู้จักหลวงพ่อเชยหรอกนะเพราะท่านมรณะภาพไปร่วมสาสิปีแล้วครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่เกิด แล้วหลวงพ่อเชยท่านบอกหลวงพ่อหรือเปล่าครับว่าได้พระองค์นี้มาจากไหนบอกสิท่านบอกละเอียดสิด้วยฉันจะเล่าให้เธอฟังนะท่านหยุดหายใจลึกๆ ก, ก่อนเล่าหลวงพ่อเชยท่านบอกฉันว่าได้พระองค์นี้มาจากสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสมัยนั้นสมเด็จท่านออกตรวจราชการทางเรือ พระองค์มีเรือขาวลำหนึ่งสําหรับใช้เป็นพาหนะเดินทางเป็นเรือหม้อเธอรู้จักเรือหม้อไหมละ่ะไม่รู้จักครับก็เรือที่เขาใช้ไอ้น้ำนั่นไงเล่ารู้จักแล้วครับนั่นแหละเวลาพระองค์จะผ่านมาถึงสิงห์บุรีก็จะทรงแวะที่วัดหลวงพ่อเชยก่อนหลวงพ่อเชยท่านสร้างพระปิดตา สมเด็จท่านบอกว่าอย่าไปสร้างพระปิดตาอย่าไปสร้างพระนั่งให้สร้างพระเดินถึงจะเจริญก้าวหน้าวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงเรือขาวไปตรวจราชการที่สุขโทขทัยขากลับก็ส่งแวะที่วัดหลวงพ่อเชยเหมือนตอนขาไปแล้วก็ได้ถวายพระพุทธรูปองค์นี้แก่หลวงพ่อเชยพร้อมรับสั่งว่า ให้หลวงพ่อเฉยสร้างพระพุทธรูปปางลีลาแบบองค์นี้แทนที่จะไปสร้างพระปิดตาหรือพระนั่งพระพุทธรูปองค์นี้งามมากและก็เป็นของเก่าเธอดูสิงามไหมครับพระหนุ่มตอบอย่างไม่ยินดียินร้ายหลวงพ่อเฉยท่านชราภาพมากท่านบอกไม่มีกำลังที่จะสร้าง จึงนำมามอบให้ฉันขอให้ฉันสร้างแทนท่านด้วยฉันจึงสร้างพระพุทธรูปปางลีลาไว้ที่หน้าโบสถ์หนึ่งองค์แต่ก็งามสู้องค์นี้ไม่ได้ฝีมือช่างสมัยนั้นกับช่างสมัยนี้เทียบกันได้อย่างไรจริงไหมจริงครับท่านต่อไปอย่างนั้นเองเพราะใจไปอยู่ที่วัดพรมบุรีเสแล้วท่านอยากศึกจนเนื้อเต้นก็ว่าได้ นั่นสิสมเด็จท่านยังมีรับสั่งกับหลวงพ่อเชย อ, อีกว่าพระพุทธรูปปางลีลานั้นมีสร้างอยู่สามแห่งคือที่สุโ ข, ขทยัยกําแพงเพชรและที่สุพรรณบุรีแต่ที่สุโ ข, ขทัยนั้นงามที่สุดและหลวงพ่อจะให้ผมสร้างอีกรึปเปล่าครับท่านถามถ้าเธอสึกไปแล้วก็ไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเธอยังไม่สึก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 มีพระคุณต่อผมโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามเธอเกลียดพระก็ต้องเป็นพระฉันว่าเธอสึกไม่ได้แน่ภิกษุวัยเจสองพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งหากก็ทำให้คนฟังหงุดหงิดขัดเคืองใจยิ่งหนัก